ถ้าตั้งใจให้ใหดีและการว่าถ้าทํากําลังใจให้เต็มผลของการปฏิบัติก็ดีนี่การทํากําลังใจให้เต็มเขาไม่เต็มเวลานั่งนั่งมันไม่เต็มหรอกนะนั่งอาจจะเต็มก้นก็ได้เต็มใจได้เปล่าไม่ทราบเรืนองนอนมันจะเต็มไหม นอนก็เต็มเต็มหลังที่การสร้างกำลังใจให้เต็มเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติถือว่าสำคัญสำคัญมากไหมก็มากเพราะการลมมาเกิดชาตินึงก็หวังเพื่อจะได้สร้างกำลังใจเพิ่มขึ้นเดี๋ยวทบา ร, รมีของเราให้มากขึ้นเต็มเร็วๆ เ, เต็มในบา ร, รมีทั้งสามิพัท เวลาฝึกโมโนโมายธิเขาก็ต้องใช้กำลังใจในขั้นบา ร, รมีให้เต็มกำลังถ้าบา ร, รมีไม่เต็มความเป็นพิษของจิตที่สามารถเคลื่อนไปถึงพระนิพพานได้ถ้ามันไม่เต็มก็ยากไปไม่ถึงแต่ถ้ามันเต็มก็ถึงง่ายทีนี้ทําอย่างไรก็ทําอย่างนี้นะ องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นถือว่าเราเป็นลูกของพระองค์เราปฏิญาณตนวเวลายอมมอบกายยอมถวายชีวิตคําพูดอย่างเนี้ยศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารถ้ายอมบอบกายกันจริงๆถวายชีวิตถวายชีวิตแบบจริงแบบจังแล้วก็วาจาอย่างนี้ศักดิ์สิทธ หาจจะถามออว่าวาการยืดศักดิ์ศไ้อย่างไรถ้าเป็นเธอบ้างละ่ะถ้ามีใครสักคนหนึ่งเ้าบอกเธอว่าฉันยอมมอบ ก, กายถทวาชิตกับเธอเลยเธอจะช่วยไหมเราก็จะช่วยทุกอย่างเพราะถือว่าชีวิตของเขาเขายังให้กับเรา ชีวิตของเขาเขายังยอมตายเพื่อเราชีวิตของเขาซึ่งมีคุณค่ามากเขายังไม่เห็นคุณค่าของเขามากฝ่ายคุณค่าของเราอย่างนี้ไม่ช่วยก็เกินไปใช่ไหมละ่ะใ น, นาการที่เราปฏิญาณตนต่อองคตเดชพรทะทศพนบรมมาสัตยดาว่าเราขอยอมมอบกายขอถวายชีวิตต่ อ, องค์เดชจะธรรมมาสามิตรคือพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นวายจาอันหนักแน่น และเป็นสัจวาจาที่สามารถจะเป็นแรกเอากับสิ่งใดใดในความปรารถนาที่ตนต้องการไม่ว่าจะเป็นเพื่อพระโพธิยานก็ได้ขณะพระโพธิยานก็ปามเป็นองค์เสด็จพระาาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างได้นับภาษาอะไรกับกานแค่เป็นพระอรหันตรนิพพานง่ายยิ่งกว่าเราก็ทำกำลังใจของเราให้เต็มเต็ยก่อน ว่าเราร่างวาจาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำอบกายขอถวายชีวิตองค์เสด็จพระธรรมสามิิชจะใช้ชีวิตของเราเพื่ออะไรเราก็จะยอมองค์สั่งให้เราไปตายเราก็จะไปถามาอยนี้บ้าเกินไปไหมถ้าคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหน ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสำคัญต่อตัวของเราขนาดไหนเขาก็จะบอกว่าเราคงจะบ้าแต่ถ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราทรงมีพระมหากรณาธิคุณต่อเราขนาดไหนชีวิตทั้งชีวิตเพียงน้อยนิดเพียงเท่านี้มิอาจจะตอบแทนพระคุณของพระองค์ได้แักภาษาอะไรกับแค่ชีวิตสุดท้ายชีวิตเดียวเราจะทําเพื่อถาวายต่อองค์เสด็จพระบรมครูจะทําไม่ได้ มันก็เกินไปนั้นคนที่สามารถจะมีกำลังใจทิ้งชีวิตจิตใจของตัวเองมอบไว้กับองค์พระพุทธศาสน์พระพุทธเจ้าถือว่าบารมีเต็มไหมต้องเต็มคือกำลังใจต้องเข้มถ้ากำลังใจมันได้เข้มแข็งมันทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องห่วงร่างกายมันต้องห่วงสิ่งต่างๆที่คอยยึด หน่วงจิตใจไม่ให้เราทํความดีเวลาเราทาความดีสักครั้งหนึ่งมันก็ติดไอ้นั่ น, นติดไอหนี่คนนั้นติดทีคนนี้ชมทีคนนี้ว่าทีทำให้เราขยับขยันการสร้างความดีไม่ค่อยได้นะบบยึมยึ้ยักยักพั ก, ช, กช้าก็าเวลาเรานั่งท ส, สมาธิเวลานี้เราก็ต้องตัดใจแบบนี้เหมือนกัน เราจะตายก็ให้มันตายไปกับความดีอาจจะเป็นผีแล้วก็เป็นผีลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผีลูกเทวทัตนี่คำว่าว่าตายจะหายชีวิตเราต้องกลับเอามาคิดพิจารณาจะใหม่ก่อนที่เราจะสร้างกำลังใจทำความดีให้หนักแน่นธรรมนั้ทุกคนถ้าเธอนั่งทำสมาธิ แธอต่องกำหนดจิตใจของเธอที่จะลั่นจัจวาจาพระองค์เสด็จพระศาสดาดสมมาสัมุทชเจ้าไว้ว่าประการแรกเราปฏิญาณตนว่าเราพึ่งพระองค์เป็นสาระเราจะไม่พึ่งใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยะถึงสาวาระนั่นเป็นจัจวาจาต่อมาเราก็ยังแลกกันได้ความดีที่เข้มค้นขึ้นไปอีก มาขอมอบกายขอถวายชีวิตเราจะมาย้ำสะทึกผิดที่ทรงสัตให้เราเว้นเสียในเก็ฑสิขาบทที่ตัวเองตั้งใจรักษาเพื่อนำพิจารณาจะจะเห็นว่าเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในสัจจวาจาจริงไหมิม้งคนพูดไ่อยตักแต่ว่าพูดเอาผลความดีไม่ได้ จำเลยนะว่าคนสักแต่ว่าพูดพูดค่อยๆ พ, พูดที่ปากใจไม่ได้ออกไปกับตามปากอย่างนี้ไม่เกิดผลในการปฏิบัติทำอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จผลจะเอาพิน ญ, ญาไม่ต้องเอาหลอะอดจะเอามาผลนก็ไม่ต้องพูดกันไม่มีทางได้นิพันธ์ไม่ต้องหวังเอาเวทีหวังได้นินประกัน แรกที่มีความสําคัญก็คือสัจจวาจาในบา ร, รมีสิบประการจำไม้นะจ๊ะเริ่มต้นเธอต้องยึดเอาสัจจาวาจาที่เปล่งออกไปต่อหน้าพระพักขององค์เสด็พระทรสงสวัสดีโสภาคเมื่เราขอยึดเอาพระองค์เป็นสณะนะที่พึ่งอัน ญ, ญาติเยี่ยมถึงสามวาระเราปฏิญาณจนว่าเราจะไม่ฆ่าตัดแตชีวิตเราจะไม่คิด เอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนเราจะไม่ละเมิดในความรักของคนอื่นเราจะไม่แต่งวาจาและพูดวาจาอันพูดปดมดเท็จทําลายประโยชน์ของคนอื่นและเราจะไม่อยากให้สติ ข, ของเราเป็นคนบ้าหรืกินเหล้าหงายาแม้สิขาบทใดๆที่ตัวเองตั้งใจรักษาก็ต้องหนักแน่นเพราะวาจาที่แต่งไปเราต้องทําได้เราต้องมั่นใจว่าเดี๋ยวนี้เราทําได้ และนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราก็จะไม่ผิดกัจวาจาที่เราเปล่งต่อนหน้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราผิดกับพระองค์ขึ้นเชื่อมั่งผลที่เราปรารถนานิพานก็อดพอมองเห็นอะไรขึ้นบ้างไหมหัวตาสว่างขึ้นบ้างไหมจ๊ะเพราะสว่างขึ้นมาในใจของเธอบ้างนะว่า สัจวาจาสําคัญในการสร้างความดีทพคนที่ปฏิฐานบรารมีเพื่อปารธนาพระโพธิญาณเพื่อปรารธนาพระนิพพานในชาติปัจจุบันเขาต้องอ้างสัจจวาจาเป็นสําคัญเธอไปอ่านในพระสูตรหลายๆเรื่องทุกเรื่องเขาต้องอ้างขึ้นด้วยสัจวาจาเป็นสําคัญ ไม่เชื่อเราไปอ่านดูนะหลายเรื่องในเรื่องของพุทธชาติษษษษก็มีเรื่องของชาดกอะไรอะไรก็ตามมากมายก็มีเคยจะหลีกพ้นความเป็นจริงที่ท่านพูดไว้เสมอไม่ได้ว่าท่านจะอ้างถึงสัจวาจาตั้งแรงอธิษฐานปรารถนาไม่ว่าจะเป็นปารังการปรารถนาเพื่ออะไรก็ต้องอ้างสัจวาจาที่ตนเองมีอยู่ว่าตนเองนั้นเคยทําอะไรตั้งใจทําอะไร คิดจะทำอะไรอย่างแน่วแน่ดังที่สัจจวาจาเคยเ ป, เป็นมาเหมือนอย่างเรื่องของสุวรรณสามที่ท่านผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็อ้างสัจจวาจาผู้เป็นลูกก็อ้างสัจจวาจาจะา่หมตอบพอินทรบ้างตอบใครๆบ้างต่อท่านผู้มีความดีสูงบ้างค้นก็ได้ตามนั้นตามแรงอธิษฐาน นั้นการอธิษฐานบา ร, รมีที่เธอตั้งเจตนาเอาไว้ไม่ว่าจะปรารถนาอะไรในปัจจุบันในชาตินี้หรือการปรารถนาเพื่อสิ้นทุกข์ในชาตินี้หรือจะทําสิ่งใดเสในชาดหน้าหรือแม้แต่การตั้งใจทำความดีในปัจจุบันในสิ่งใดๆก็ตามที่เธอตั้งใจไว้จะมีผลสําเร็จขึ้นอยู่กับสัจจวาจา นึถึงองค์นเรศพรศาสดาส ม, มาสัมพุทธเจ้าขอบา ร, รมีของพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทูณถามพระองค์ดูซิว่าคำพูดเช่นนี้มีเหตุมีผลเป็นที่อัศจรรย์พึงปรากฏตามพุทธคดที่ทรงตรัสจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะ ยืนยันนะี่ะนั้นเหตุแห่งการสร้างบา ร, รมีคือทำกำลังใจให้เต็มจำไว้ว่าข้อแรกสักจวาจาดังที่เธอเป่งวาจาออกต่อหน้าพระพักขององค์เสด็จพระสงสวัสดีโสภาพสำคัญถ้าเรามีกำลังใจแน่วแน่อย่างนี้ อธิษฐานบา ร, รมีนแน่วแน่ตั้งใจไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนเธอรันั่งทำสมาธิแล้วก็ตั้งสัจวาจาของเราไปเลยว่ารูปมานั่งทำสมาธิ จ, จิตเพื่อความสงบของจิตเพื่อต้องการรู้เหตุรูปผลเกิดมักผลธาิพภานในทากษปัจจุบันหรือมีกำลังแห่งความเป็นจิตจักขุยานชัดเจนจังใจเราก็ต้องตั้งใจของเราไว้ว่ารูปมาได้ความยากลาบาก ชีวิตของโลกผ่านมาใน้ฟังเดือดร้อนสัต่า ง, งนานาป่าจกประสบพบความรู้ความเข้าใจ จ, จนจนถึงปัจจุบันเร่าตาทับกระเด็นความทุกข์ต่างๆน า, นานาที่เกิดมาเพราะอาศัยที่ข้าพระพุทธเจ้ามีขันห้าคือร่างกายเป็นไปเพราะข้าพระพุทธเจ้าโง่ไม่สามารถยังรู้ได้ว่าอะไรคือเราอะไรไม่ใช่เราอะไรไม่ใช่ของเรา อะไรเป็นของของเรามาบัดนี้อาศัยพระบารมีขององค์เสด็จพระรมครูปิดของข้าพระพุทธเจ้าจึงสักแต่ว่ารู้แต่ยังรู้ไม่แจ้งรู้ตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมารู้ตามที่ท่านทั้งหลายกล่าวมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็รู้ต่อไปว่าแม้พันห้าก็ไม่นานนักก็ต้องตายลูกก็ทรา แต่ครั้งก่อนๆผ่านมาหลายปีก่อนหน้านี้ถึงแม้จะรู้ว่าคนตายแต่ใจของเรกก็ไม่เคยหวาดกลัวยังมีความทนนงตนประมาทอยู่คิดว่าตัวเองยังไม่แก่คิดว่าตัวเองยังมีความสามารถคิดว่าเราจะยังไม่ตายในเวลานี้ยังประโยชน์ความตั้งใจที่ตัวเองตั้งไว้ต้องสำเร็จตามนั้นจะนั่นก็เป็นวิสัย้งโลกที่ข้าพระพุทธเจ้ามุ่งมั่น เรื่องความโง่บ่งบอกทังความชยานอยากซึ่งจริงๆแล้วความอยากของข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะเสด็จผลเพราะตราบใดที่ยังต้องอาศัยร่างกายที่ไม่ใช่ของตัวของข้าพระพุทธเจ้าความเสด็จในเรื่องความป่าพนา ใ, นใดๆอันตรีใสของโลกจึงไม่เกิดมีต่อข้าพระพุทธเจ้าเลยแม้นแต่อย่างเดียวจนมาถึงเวลานี้ก็เหลือแต่ชีวิต ที่ราวันตายเหลืออยู่เวลานี้สิ่งที่เคยคิดเคยได้เคยมีก็เปลี่ยนแปลงไปวันข้างหน้าข้าพระพุทธเจ้าก็หวังอะไรไม่ได้ว่าจะพึงปรากฏต่อข้าพระพุทธเจ้าสักเพียงไรจะรู้อยู่ตามที่องค์เทพพระจอมจอกรมณ์ศรราสดาทรงตรัสตอนไว้ว่าต้องตายแน่แต่ก่อนตะไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มุ่งมั่นศรัทธาต่อพระองค์จริงสัตว์ว่ากรา ัดแต่ว่าขอรบตัดแต่ว่าปานาสิปาทาเวไปอย่างนั้นไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่รู้ว่าว่าไปแล้วจะเกิดประยชน์ อ, อะไรต่อข้าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ข้าพระพุทธเจ้าเชื่อในสัตว์จะทำปามจริงก็เกิดมาในชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจะมีความตายเป็นของเที่ยงแน่นอนเกิดขึ้นต่อข้าพระพุทธเจ้าเที่ยงแท้ชีวิตไม่แน่ว่าจะตายเวลาไหน เวลาเช้าสายบ่ายค่ำหรือเวลาใดก็ไม่ทราบลูกเป็นผู้ที่ประมาทในชีวิตมาในการก่อนจึงหลงละเลงไปตามกระแสะของคนอื่นมีคามยินดีอยากได้อยากเป็นอยากมีไม่อย่างคนอื่นมากเกินเลยปากตายจะมาบัดเดี๋ยวนี้ถ้าพระพุทธเจ้าตั้งเจตนาว่าจะเคารพจริงในพระพุทธเจ้าจะเคารพจริงในพระพธะรรม จะเคารบจริงในพระอริยสงฆ์ข้นเชื่อว่าสินสิพาบทที่ตั้งจะรักษาจะไม่ยอมให้พลาดในความประมาทจะยอมตายจะได้ว่าทำลายสินให้ขาดจะไม่บังอาจที่จะใครใช้คำว่าไม่เป็นอะไรเพื่อทำลายความดีของตนเองก็สัจจวาจาของข้าพระพุทธเจ้าที่มีความแน่วแน่ จะไม่ผันแปรเปลี่ยนเป็นอื่นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนป่าจะสิ้นสังขารร่างกายขอได้แรงสัจจวาจาของข้าพระพุทธเจ้าจงบังเกิดแห่งเด็ดปัญญาบารมีมีความเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมขององค์เรด็พระจินนสีมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงความสว่างแห่งจิต เข้าถึงพระได้พาในชาติปัจจุบันนี้ได้อย่างง่ายดายแม้นเวลาปัจจุบันเดียวนี้ก็ขอความเป็นทิพของจิตจงสว่างสวัยจำไซเห็นพระรูปผสมขององค์เสด็จพระจอมแดดรรมศาสดาชัดเจนนับเบื้องหน้าของข้าพระพุทธเจ้าในการละบับเดียวนี้ได้เสริญพระพุทธเจ้าข้า ในนี้ความรู้สึกหรือภาพที่เกิดขึ้นในจิตดีกประเดิมไหมก็จะดีกว่าเพราะว่าเราทำด้วยกำลังใจที่มีสั จ, จวาจาอันแน่วแน่นั้นเธอก็จงจำเอาไปประพฤติปฏิบัติว่าสั จ, จวาจาในการเปล่งเพื่ออธิษฐานบา ร, รมีสำคัญเมื่อเราเห็นพระ เรามีความรู้สึกมุ่งมั่นหนักแน่นต่อองค์เสดพระบรมครูทีนี้ปัญญาของเราก็อย่างรู้ตามความเป็นจริงได้ไม่ยากเพราะเราจะอาศัยพระบารมีของพระองค์ตรงเป็นที่พึ่งแล้วก็ดึงจิตใจของเรานั้นดลุดออกไปเสียจะร่างกายไปนัดสถาที่เชอคิดหรือเธอไปมาอยู่แล้วหรือรออยู่แล้วที่นิพพานก็สึกแล้วแต่บางคนถ้าถงแล้วก็รออยู่ที่ยังไม่เสียงก็ไปเสีย ได้ถึงแล้วไม่สว่างไสวก็โดยความสว่างไสวจะขึ้นจะใหม่ถ้าใครถึงแค่พัจุลามณีเจดิสถานก็เอาแค่พัจุลมณีกําลังใจยังไม่ถึงนิพพานก็ไม่ต้องขึ้นไปไม่สําคัญนักนะเอาให้ถึงพระองค์เสด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ไหนใจเรารู้ใจเราสามารถสัมผัสได้ชัดเจนสว่างไสวก็เอาชิ้นตรงนั้นนั่นแหละ ทีนี้เราก็จะทำกําลังบา ร, รมีของเราคือปัญญาบา ร, รมีให้เต็มทำอย่างไรทำตามพุทธญาณขององค์เสดธรมกูติพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรลูกขอได้มีความรู้เข้าใจตามทุกองค์ทรงรู้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะนั้นเพียงน้อยนิดก็ขอให้จิตของลูกมีโอกาสสว่างสวัยตัดกิเลสเป็นสมุทเทสปหานได้ง่าย ขอองค์เสด็พระจอมต่บรมา ศ, าศาสดาในสิ่งที่ลูกได้เคยาบาเพ็ญบา ร, รมีมาตั้งแต่อดีตปัญญาบา ร, รมีของข้าพระพุทธเจ้ามีความยินดีในธรรมส่วนใดขอภาพตนนั้นจงยังประโยชน์ปรากฏในใจของข้าพระพุทธเจ้าว่าครั้งในชาตกนั้นจิตของข้าพระพุทธเจ้าอย่างทราบแจ้งประจักษ์ในสัจธรรมความเป็นจริงที่ประลองสอน ในข้อธรรใดขอข้อธรรนั้นจงปุดเกิดในกระแสจิตใจของข้าพระพุทธเจ้ามีภาพปรากฏว่าในสมัยนั้นเคยเกิดเป็นหญิงเคยเกิดเป็นชายเคยเกิดอยู่ในวัชณะอะไรกําลังกระทําสิ่งใดอยู่จึงสามารถรู้กระแสธรรมในเวลานั้นมีความรู้สึกเข้าใจิึงความเป็นจริงแห่งชีวิตนิสสัจธรรมที่องค์เสจพระธรร ม, รมสาไนิรงสอน ขอบา ร, รมีองค์เสด็จพระจินนวรสงเคราะห์ขอไปให้ปรากฏภาะชัดเจนจ่มใจแม้นความรูร้สึกรู้ตามความเป็นจริงนับแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปได้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะ ความ ร, รู้สึกเห็นตัวเรากำลังคิดอะไรกาลังนึกถึงเหตุการณ์อะไรที่กระทบใจเราในเวลานั้นทำให้เรานึกขึ้นมาได้พิจารณาเห็นทำได้มีบ้างไหมละ่ะกำลังของปัญญาบา ร, รมีแม้นตะน้อยนิดที่มันเกิดจากกิตที่เข้าใจโดยแม้ลังเลสงสัย แม้หายหลังจากนี้ไปจะนานแสนนานนับเป็นอาสงไขยกับแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้เสื่อมสลายหายสิ้นไปยังคงเป็นประโยชน์ในมรรคผลของเธอในชาติจุบันเสมอเหมือนนังท่านจุนลมันดกจุลมันศกตุลมันดกอะ น, กนะจำชื่อของท่านผิดกับขออภัยด้วยว่าสมัยสายหลังจากชาติสุดท้ายของท่านไปนานนับชาติไม่ได้ เปนนานมากองเสด็จพระทรงองเสด็จพระสามะสามสัมพุทธเจ้าทรงจักเล่าประวัติของท่านว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ออกตรวจรอบเมืองอากาศร้อนก็หยิบผ้า ข, าขาวๆมาเช็ดหน้าเช็ดมือเพียงเท่า น, นั้นก็อุทานขึ้นมาในใจว่าร่างกายของเราตกกระปกองงเชียงนี้จรรอ เพียงเท่านี้เท่านั้นนะจ๊ะมิใช่เกิดขึ้นเพราะทำอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนอะไรเลยเกิดขึ้นเพียงแค่เห็นผ้าเสื้หน้าที่คล้ําเครอะไปได้เหงื่อใครจนผ้าขาวกลายเป็นผ้าสีคล้ำๆแล้วทรงใช้ต่อเปล่งวาจาว่าร่างกายของเราสกรปรกทั้งเชียวนี้เรยเราจากนั้นไปนานแสนนานนับหลายหลายชา จนมาท่าสุดท้ายองค์เสด็จพระจำต่บร ม, มาศาสตร์สดาษก็ให้อาผ้าขาวนั้นไปพลิงหูือไปถูมานะแล้วก็ภาวนาทำสมาธิจนจิตของท่านทายจัสมาธิก็เห็นผ้าขาวนั้นจำไปท่านคิพิจารณาร่างกายจนเข้าถึงความเป็นอรรถผล เธอจะเข้าใจอะไรได้บ้างไหมเพราะธรรมะไม่ใช่ของยากไม่ต้องขุดอะไรมามากเกินไปทำใดข้อใดส่วนใดๆย่อมจะทำให้จิตใจของเธอเข้าถึงความสิ้นทุกข์จับเชื้อได้ทั้งนั้นไม่ได้มากมายเมือนอย่างที่เธอรู้เธอเรียนมาเธอศึกษามาเป็นเพียงแค่ว่าเธอเข้าใจสิ่งใดแล้วมันเข้าใจจริง แล้วก็เหตุพิจารณาอย่างนั้นเห็นตามความเป็นจริงจนทะลุหมายถึงนะับบรรลุความเข้าใ จ, จแจ้งแจ้งว่าขันห้าไม่มีอะไรเปเราเป็นของของเราไม่มีร่างกายอะไรเลยที่มันดีสําหรับเราไม่มีอะไรในโลกเป็นสิ่งที่เราต้องการจนจิตไม่มีความยินดีในขันห้าต่อไปนั่นแหละถึงวาระแห่งการบรุธรรมก็จะบรรลุธรรมทันที เมื่อสักครู่นี้ท้าเธอย้อนไปขอบา ร, รมีองค์เสด็จพระรมคูจะจำภาพของเธอได้ใช่ไหมละ่ะมันก็มีอยู่หลายหลายภาพไปที่เราเข้าใจทำรู้แจ้งในธรรมโดยเหตุบังเอิญอย่างนี้เวลาเราถึงนี้ถึงองค์เสด็จพระชินสีลเราก็ย้อนขอบา ร, รมีพระองค์สงเคราะห์ขอดูอำนาจของปัญญาบา ร, รมีของเราว่าสมัยก่อนนั้นเล่า เราเคยเกิดเป็นมนุษย์เราคิดอะไรได้บ้างที่มีความเข้าใจในศาสนาธรรมเราเห็นอะไรเป็นของดีบ้างเราเห็นอะไรเป็นของไม่ดีบ้างเราคิดอะไรเป็นบ้างเธอก็ย้อนไปชาตินั้นเรื่องอะไรชาตินี้เรื่องอะไรชาตินน้นมีไหมแบบนี้มีไหมแล้วก็ดูภาพเรื่อยๆไปเพราะเราเกิดทุกชาติมันต้องมีเข้าสักชาติหนึ่งแล้วมันมีต้องหลายๆชาติที่มีความรู้สึกเข้าใจในธรรมะความเป็นจริง โดยไม่ได้เข้าใจเพราะการอ่านตำรา ห, หรือฟังใครเขามามือ น, นอย่างตัวอย่างท่านหลวงพ่อจุลบรรพบุรุษ น, นั่นถ้าไม่ได้เข้าใจเพราะอ่านตำราจะมันเกิดจากสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านคืมีความรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาว่าร่างกายของเราสกปกทิ้งทีนี้เฉย ค่อยๆทำค่อยๆคิดค่อยๆคิจาันาไปเรื่อยๆมันก็จะเพลินปัญญาของเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นเทวีคูณหมายความว่ากําลังปัญญาของเราก็จะสูงขึ้นเข้าใจลายจันจ้างมากยิ่งขึ้นวันนี้เข้าใจเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่หรือมีเวลาทำสมาธิเอาใหม่กำหนดตั้งสัจจวาจาของเราให้เข้มแข็งเสียใหม่ทุกครั้งที่นั่งทำสมาธิตั้งสัจจวาจาไวา้ให้แน่วแน่ นึกถึงคําที่เราเปล่งวาจาต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงสิง่งที่เรากราบพระนึกถึสิ่งจริงต่างๆที่เราได้ทํามาแล้วเราอ้างเป็นสัจวาจาว่าเราตั้งใจทําจริงไหมเราแน่วแน่เด็ดเดี่ยวกับการบูชาคว า, ามดีของพระองค์จริงไหมเราทําอย่างนี้บ่อยๆกําลังจิตมันจะมั่นคงเพราะกำลังใจมันมั่นคงยิ่งขึ้นความเป็นทิพย์ของจิตมันก็จันทใสเพราะอริษฐานบา ร, รมีอย่าเลยว่าความเป็นทิพย์ ลำพังตัวของเธอไม่เพียงพอหรอกที่เรารู้ได้เห็นได้มีความสว่างสวก็เพราะท่านทุกทุกพระองค์ท่านเมตตาสงเคราะห์โดยเฉพาะพระพู้ทธเจ้าเพราะทุกข้าเราต้องขอพรพระองค์จริงไหมจริง <mm> ก็การขอพรเปล่าเปล่ากับการตั้งสัจวาจาและขอรกได้วยแรงอธิษ ฐ, ฐานมันต่างกันไหมต่างกันนะ ถึงแค่ น, นี้พอเข้าใจไหมจ๊ะพอเข้าใจนะก็ปฏิบัติอย่างไรกำลังใจของเราจิงจะเต็มเร็วมีเรื่องนั่งนะยังไม่ใช่เรื่องเดิน น, ะนี่พูดถึงนั่งกับนอนทำสมาธินะเดินยังไม่ได้พูดมีเห็นพระพุทธจ้าไหม แต่สบายๆนะฟังไปรู้เรื่องมังรู้เรื่องมังก้อน อ, อะไรคนพูดรู้เรื่องกันแล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็ตั้งจะเริ่มต้นใหม่ซักซอนะแนะนำไม่ทํานะไม่ใช่มาพูดให้ฟังนิสัยมันกลับไปทำเอาเองนะแนะนำไม่ใชอตั้งสัจวาจาให้เข้มแข็ง เธอต้องนึกถึงว่าเรามาเกิดเรามาทำความดีเรามาอยู่วัดนี้เรามาทําอะไรที่นี่เรามาต้องการอะไรที่วัดนี้เราต้องการความสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของใครของเราของเขาเราต้องการสิ่งใดอันเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านบ้างอย่างนี้เป็นต้นต้องนึกขึ้นมาก่อนอีนนึกออกไหมเราต้องนึกได้หรือกว่าฉันไม่รู้ฉันมบอย่างนั้นอย่างนั้นแหละ ฉันสักตะว่ามาเขามาฉันก็ามาด้วยเขาทำฉันก็ทําด้วยยี่ะถ้าเขาลงนรกก็อาลงนรกไปกับเขาด้วยสินะเอาใหม่นะทุกคนนะเริ่มต้นใหม่ไม่สายนะอย่าลืมในบา ร, รมีสิบประการต้องเอาเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติเสมออ้างสัาจจวัตว่าเราเปล่งวาจาต่อหน้าองคตเทสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างไรทุกวัน เปล่งวาจาต่อหน้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรทุกวันเราไหวพระเราไปทำวัดเช้าทำวัดเย็นเราก็ล่าวตามเขาพูดเขานำตั้งแต่พระโมตซะแล้วก็ว่าไปเขาคารมนอบน้อมพระองค์ เราย้ำมอบกายสวายชีวิตเอาสิ่งเหล่านี้ที่เธอแป่งวาจากลับไปคิดทบทวนจะใหม่ทบทวนให้แน่วแน่ว่าเราพูดจริงตามปากไปไปกับปากเราไหมเราเป่งวาจาแล้วเราทําได้เราตัดสินใจได้เราเชื่อมั่นดังสัจจวาจาที่เราตั้งใจต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหน เราจะต้องไม่ละอายหรือว่ายมอาย่วนนะหรือว่าชส่วนให้เธอได้ย้ำเอาไปปฏิบัติแค่แล้วกันวันหนึ่งสัจวาจาเอาเป็นที่ตั้งสัมคัญเมื่อเราอ้างสัจวาจาลรวก็จงตั้งจิตอธิษฐานขอผลในสีเสราชนา เ็่เป็นหนภาในการทำความดดีได้เร็วยิ่งขึ้นถ้าเธอทำอย่างนี้บ่อยๆฉันขอยืนยันว่าเวลาของการไปบัตรจับ10ปีหรือปีเดียวจงจับว่าอย่างเร็วที่สุดไม่เกิน7วัน นักผลี่เจปรัชนาย่ำได้จริงหรือไม่จริงก็ควนถามพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเชื่อฉันคนเดียวนะฉันมันโกหกแต่งนะแล้วปฏิบัติเราพระเราต้องขอความยืนยันจากพระตรงๆที่มีความมั่นคงในตัวของเราเอง จริงไหมจริงสมสัยพระโพชุตัดยังเรื่องระยะเวลาการเกิดได้ต้องหมาย่ะฉันพูดตามความเป็นจริงจากที่ประสบมานะไม่ได้พูดเพราะว่ามาจากตำราที่ไหนแต่พูดตามอง์สดพระจอมแต่บรมมาสาวสารทั้งสงเคระแล้วก็พิสูจน์แล้วว่า เป็นไปตามนั้นจริงเพราะการทำกำลังใจให้เต็มเร่งสร้างบา ร, รมีคือกกำลังใจทุกอย่างที่เรากระทำอยู่ในชีวิตเร่งกันให้แบบนี้สร้างกำลังใจให้มันหมักแน่นอย่างเรื่อยๆเลื่อนระยะเวลาแห่งการทาความดีสั้นเข้ามาหากถูกกำหนดไว้เจ็ปีก็เหลือปีเดียว ถาพระโพธิญาณเพื่อบาตนาความเป็นองค์สิเดชสัมมาสมัส ม, ส ม, สมพุทธเจ้าก็ลนชาติเข้าใจใช่ไหมจ๊ะเข้าใจนะเข้าใจก็จ่านเรื่องนี้ไปอาจาใจแล้วไนมะ่ต้องถามนะที่ว่าทำไมถึงเรื่องพูดถึงเรื่องว่านั่งกับนอนแล้วยืนเดินทาไง เดินเนี่ยตามันต้องมองหูมันต้องได้ยินหรือว่าตาบอกหูหรอเราก็ไม่ถึงขั้ขนาดนั้นนะเอาคนปกตินะเดอนได้หูเพราะเราก็ได้ยินตาของเราก็เห็นมือของเราก็สามารถหยิบยืน่นสิ่งใดก็ได้จริงไหมจริงถึงเท้าจะเดินมือก็หยิบปากก็พูดตาก็เห็นหูก็ได้ยิน นั้นในเรียบ ท, ที่สมบูร์แบบก็คือเดินใช่ไหมงองออกก็ไปฟังให้ดีนะนั่งเนี่ยมันต้องนั่งหลับตาเดินก็ไปไหนไม่ได้เพื่อนที่จากตรงนี้ก็ไปไม่ได้เพราะเรานั่งถูกไหมเมื่อจะหยิบยื่นอะไรล่ะมันก็ไปได้แค่แขนเราเท่านั้นแหละใช่ไหม ตาแล้วก็ป่ดตามองได้เท่านี้แหละถ้าเราหลับตามองก็มองได้แค่นั้นเองมันไปได้ไม่รู้เรื่องอีกอีกจริงไหมแต่ในอริยบทของการเดินทำได้ครบส่วนทุกอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเวลาปฏิบัติสร้างกำลังบารมีให้เต็มถ้าเอาถือเอาทานบารมีเป็นสำคัญ เราขยันให้ขยันสลักขยันละสร้างกำลังใจได้สัจวาจาแ น, แน่วแน่มันก็ิ้นระยะเวลากันปฏิบัติมากขึ้นเพราะเธอสามารถจะเดินไปเอาของไปให้ใครเธอสามารถจะเองเดินไปพับกระเป๋าของเธอเงินไปซื้อของไปให้กับใครจริงไหมลนะ่ะ ตาข้องเชยเห็นคนเป็นทุกข์เห็นคนนี้เขาลำบากเห็นสัพท์ลำบากตาข้องเธยได้เห็นหูกขข้องเชยได้ยินเสียงร้องเสียงที่เขาไม่สบายใจไม่สบายกายใช่ไหมเธอเดินไปหาเขาได้มือเธอหยิดเยื่ในสิ่ง่ังๆให้กับเขาก็ได้นั้นะอริย บ, บทของการเดินจึงสามารถพร้อมในปรามีทั้งสิบได้ง่าย ดีที่สุดก็คือการให้ยังงนะนั่งราบนะนอนเราก็ทําอย่างนี้เวลาเรานอนเราก็พิจารณาตามนี้อ้างสัจวาใจายอย่างนี้ตั้งแรงอิทธิฐานแบบนี้แล้วก็นึกไปถึงองค์พรด็จพระสมมาสัมพุตเจ้าขอเรื่องกำลังปัญญาบา ร, รมีเพื่อพิจารณาขันห้าที่นาทุกอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนั่งก็ทํานอนก็ทําแบบนั้นจะเมื่อเราจะเดินไปไหน เราก็ได้ถึงว่าเราจะให้อะไรกับใครถ้าเราไปเจอกับสิ่งใดเราพอให้ได้เราก็จะให้ทันทีถามว่าการให้ของเร า, าให้กับเ่ามันไม้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นักเราต้องตั้งสัจาวาจาก่อนที่เราจะทําสิ่งใดออกไปไหมคําว่าคิดะก่อนค่อยลงมือทำสําคัญไหมสําคัญตรงที่เราต้องคิดก่อน ตอนที่เธอจะให้ใครเธอตัดสินใจให้สิ่งเหล่านี้กับคนใดคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเราต้องคิดก่อนว่าที่เราให้เราให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนเราให้ไม่ต้องการเขามากราบมาไหว้มาชื่นชมยินดีเราไม่ได้หวังราบสักการะเราไม่ต้องการสิ่งใดกับเขาเราต้องตั้งสัาจจาะว่าสัาจจะา่าของเราเราให้เพื่ออย่างนี้เราให้ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากละความโลกของเราออกไปเสีย เธอจะมีความสุขมากสุขน้อยจากสิ่งที่เราให้นั่นเป็นเรื่องของเธอเธอชอบใจเธอก็สุขเธอไม่ชอบใจเธอจะทิ้งคว่างนั่นก็เป็นสิทธิของเธอฉันจะไม่สนใจอะไรเอาววงกับของที่ท่านให้ไปคิดก่อนทำถูกไหมเราคิดอย่างนี้เราก็อ้าวสัจจะวาจาว่าได้สัจจวาจาที่เราตั้งเจตนาที่เราให้แบบนี้ขอแรงอริยานที่เราตั้งไว้ว่าพระอริยชนี้จงบรรลุกับเราได้ง่าย ฤทธิย์ยงเป็นผู้มีกำลังปัญญาเจียบคมรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมต่างๆก็แล้วแต่จะตั้งสัจจะวาจาของเราอธิษฐานตอไปเราก็ให้ไปเสียถ้าแต่ให้อย่างนี้วันละหลายหลครั้งมันเต็มเร็วไหมล่ะนี่นกันปฏิบัติทมพระกรรมาฐานหลวงพ่อย้ำนักย้ำหนาก็คือบารมี ที่เขียนไว้หัวนอนแล้วก็ตื่นมากระท่องหนักก็ดูก็ดูกระท่องกันตรงนั้นนะนะเวลาทําก็ทำกันแบบนี้นะถึงจะเกิดผลในการปฏิบัติก็ไปฝึกกันนะฝึกคิดก่อนทําก่อนพูดคิดจะให้มั่นคงตั้งสัจวาจาให้แน่วแน่อ้างสิ่งที่เราคิดว่าเราทําได้เอาเป็นกําลังม่งมั่นสู่องค์เฉลขะสมาสามพระเจ้าเป็นสูงสุด แล้วก็ตั้งแรงไอ้ผ่านเพื่อพระนิพพานเพื่ออรหัพนเพื่ออะไรอะไรก็ว่ามันก็จะเหมือนอย่างคนที่ได้ให้ทานเช่นองค์เสดสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพชิตต์สมัยทรงยืนบนหน้าผานึ่งสมัยทรงสร้างบา ร, รมีขั้นกลางกลางนะอุ ป, ปะบา ร, รมีนะยังไม่ใช่บารมัดทรงเป็นพระดาบทแล้วก็มีดาบทที่เป็นลูกศิษฐ์อยู่ด้วยทรงมองเห็นข้างล่างใต้หน้าผาลงผาข้างล่างลงไป มีแม่เสือกําลังเพออกลูกมาใหม่ๆเขาคงจะหิวเสือแม่เสือมันหิวมันคงอยากจะกินลูกของมันนั่นแหละตรงเห็นเข้าก็เกิดความสงสารในสัตว์สัตว์ไม่ได้สงสารเพียงแม่กับลูกแต่สงสารสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาต้องมีความทุกข์แบบนี้ทุกข์เพรความหิวโหยทุกข์เพรชีวิตเป็นอย่างนี้ทรงพัฒนาถึงชีวิตทำไมเกิดมาแล้วตายและไม่ได้ไปไหนลกนี้ ไม่มีใครสามารถทำให้ไม่เกิดไม่ตายอยู่เลยหรือรงคิดก่อนที่จะลงมือทำนะเห็นไหมทรงไม่ใช่จะกระโดดลงไปให้เสือกินโดยส่วนเปล่าร่างกายทั้งร่างหนึ่งเอาไปให้เสือกินแล้วไม่ได้อะไรเลยคนโง่กก็ทำคนสลาดเขาไม่ทำหรอกนั้นทรงตั้งสัจวาจาวชิทรงป า, านาพระโพธิต์คือพระโพิฌานในอนาค ต, ตการการให้ร่างกายขององค์เป็นทาน แห็นไมทรงให้ร่างกายเป็นพรามต้องเห็นประโยชน์ของการให้ต้องไม่ยินดีว่าแม่เสือจะมาดีใจกับท่านหรือเปล่าจะมากระตันอยู่กับท่านไหมพวกไม่ได้สนใจสนใจอย่างเดียวว่าขอให้สปรปปสัพทั้งหลายนั้นเป็นสุขค้นจากความทุกข์ น, นั้นแต่น้อยก็อย่างดีแต่การเสียสลรร่างกายให้แม่เสือกินเพื่อ ย, ยังประโยชน์ของโจแม่เสือเองกับลูกเสือเองก็ไม่ใช่แม่เสือจะไม่ตายวันข้างหน้าลูกเสือจะไม่ตายในวันข้างหน้า เขาต้องตายวันยัง้างเขาไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายในการที่ทรงเห็นแล้วทรงพิจารณาว่าสรพสัตถ์ทั้งหลายเกิดมามีทุกข์ขอเราได้มีโอกาสได้ฝ่าพนาประสบสาเร็จในพระโคตรที่ยากเพื่อจะได้มารลือยกขนสัตว์เหล่านี้ไปไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทรมานเป็นทุกข์อีกต่อไปทรงตั้งตจวาจา แล้วก็ตั้งแรงอธิษฐานแล้วก็ร่างของพระองค์ให้แม่เสียสิ้ไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบัไม่ว่าจะเป็นพระอราหันต์ที่ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติกันมาไม่ใช่กล่าวว่าเป็นประเพณีจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงาัมมาทิฏฐิเร็เรวเขาต้องใช้กำลังใจแบบนี้กันคิดก่อนทำนะ สร้างสัจจาวาจาเป็นสำคัญทุกยุค ท, ทุกสมัยของการสร้างบารมีในในพระโพธิญาณและแม้แต่ทุกปัจจถนาความเป็นอรรัชนอรรถผลก็ตามเถิดนั้นเธอจะปฏิบัติเพื่อหวังอะไรก็ต้องทำอย่างนี้จึงจะสำเร็จถ้าเราไม่ตั้งกำลังใจแบบนี้ถือว่าทำแล้วก็สูญเปล่าเหมือนคิดว่าทิ้งก็ทิ้งไหมึงเหิยวกูจให้มึงกินเอ้ากูก็โยนมึงไป ในความสงสารมันอย่างเดียวนะแล้วก็เลยให้รัางกายมันไปยิ่นี้ก็เสียประโยชน์เพราะเราไม่ได้อะไรในแรงอธิษฐานที่ตั้งใจว่าทำไปเพื่ออะไรจนมีนักพวกบัณฑิตโง่ๆคําว่าจะพูดว่ายี่นี้ทาบุญหวังประโยชน์ทําไมต้องอธิษฐานทำไมแสดงว่าเราต้องการไอ้นั่นเพื่อปัจนาทำดเดอะแยวปัจจนาจะเยอะแยะเกี่ยวอะไรเป็นต้นก็เรื่องของคนโง่ไม่เสียง ถ้าจะเสียงก็เสียงก็คนฉลาดนะคนโง่ไมายอมเสียงด้วยนะเรียงน้ำลายเราเข้าใจใช่ไหมนั่นเราไม่ต้องสนใจคนทับคิดคาเฟ่ดีุมาสังคิดเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าคิดคิดนาันาให้แน่วแน่แนในบารมีให้เต็มแล้วก็ลงมือกระทำผลแห่งแรงที่เราได้ทำไปได้ามคิดที่แน่วแน่อายุทธาที่ตั้งใจไว้จะไม่สาเร็จไม่มี ชาตินี้ก็ทำได้จะทำสิ่งใดก็ใช้กําลังใจแบบนี้จะสำเร็จทุเรื่องขอยืนยันว่าสําเร็จทุกเรี่ยงแม้นไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนั่งหลับ ท, ำำทํำสมาธิเฉยๆตั้งสัจวาจาแน่ๆอย่างนี้อย่างนี้ลงไปลงไปว่าเราทําอะไรเราตั้งใจทําอะไรทําเพื่ออะไรทําลงไปเพื่อจะสรงข้อใครแล้วก็แรงไอ้ฐานนี้ลงไปมีผลทันที ฉันทำมาแล้วพูดในพูดแบบยกตัวอย่างไม่รู้จะไปะยกตัวอย่างใครจะขอยืนยันว่าฉันทำแล้วเกิดผลตามที่พระเจ้าทรงสอนจริงทำมีผลตามนั้นมีผลโดยฉับพันทันทีฉับ พ, พันทันทีเลยนั้นการตั้งแรงสัจวาจาและอ้างสิ่งต่างๆที่เราทำมาอ้างวาจาที่เรากล่าวเปล่งต่อหน้าพระแล้วเราทำจริง เราปฏิบัติจริงเราทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจจริงจริงสิ่งที่เราปรารถนาจแรงอยจฉา ย, าย่อมไม่เกินฤทธิตใของพระที่จะประทานให้พระองค์ให้ได้เสมอแม้นแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังประทานให้ได้นับประชาอะไรกับของเล็กเ็กน้อยน้อยในในโลกมนุษย์ง่ายมาก คิดว่าใช่นี่คงจะพอเข้าใจนะพอเข้าใจนะว่าเวลาวปฏิบัติเขาเน้นกันที่กำลังใจคือบารมีทําให้เต็มตามที่พ่อท่านสอนนั่นแหละที่แนะนําวันนี้ก็ไม่ได้เกิดที่พ่อสอนหรอกพูดตามที่พ่อแนะนํานั่นแหละเพียงแต่เราไม่เอามาคบคิดเอามาทิพย์นันาที่จะปฏิบัติเลโมตะเกาะตะราเกินไป จึงกลายเป็นว่าแก่ธรราพูดเก่งแต่ทำไม่เป็นเรื่องเลยนะพูดได้เป็่อยให้เล่ก็ได้แต่เวลาปฏิบัติตัวเอาทำเข้าจริงๆเข้าเรากลับไม่ทราบว่าทำยังไงทำยังไงบา ร, รมีเต็มเต็มทำยังไงกำลังใจของเราจะสามารถล้นระยะเวลาในการปฏิบัติเร็วขึ้นมันมีถ้าเราไม่งงเกินไปมันมีวิธีมากกว่าที่ฉันพูดอีกแต่ถีอว่า องเสด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสัมเคราะห์เท่านี้ก็มากเกินพอสำหรับการปฏิบัติที่จะมากไหมล่ะแค่นี้ก็ขอคุ้มกระบาลแล้วนะถ้าไม่ทำก็ตัวใครตัวมันนะทำก็ใครทำก็ได้จะลองไปทำดูอย่าเพิ่งเชื่อนั่งก็ตัดสินใจอย่างนี้ลม้มตัวนอนก็ตัดสินใจแบบนี้ จะให้กับสิ่งใดกับสิ่งอะไรก็คิดพิจารณาแบบนี้แล้วก็ทําลงไปลองทําให้เป็นปกติทําให้ชินจนเป็นธรรมลองดูสิเอา้าว่ากาลังใจของเราที่เคยอ่อนปกเปียกมันจะเข้มแข็งกําลังปัญญาที่โง่เขาเบาปัญญามันอนัจฉริยะเสียบแหลมขึ้นมาได้เร็ววันสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเข้าใจกับรู้กับเข้าใจได้ง่ายลองทําดูสิว่าจะมีผลตามนั้นไหม แรกชันว่าฉันจะพาเธอไปเที่ยวสวรรค์อ่างว้าเนี่ยจะยักไปจะสันนพยายลมกะหน่อยนั่นกรนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนวนเที่ยวน้สนิดก็ปรตูตะตรงนี้ก็คนเร่งก็เอาตามพระท่านน่ะดีนะถ้า ต, ตามฉันก็ตามลงเอาเวจีดีนะเอ้ก็ฉันก็ยังเป็นเหยือ่อตัดนรกไมไ่เหยื่อเขาหลอกฉันอาปากให้เขากินนะนะ อ่าพูดถูกไหมเนี่ยอาปากเขากินเขาทั้งอาปากเอาเรากินนะอนั้นคนพูดก็เดินอยู่เบนเส้นได้อ่อนๆไหวอยู่ในปากขุมนรกเหมือนกันไม่ใช่มีดีมีสเลวนะนั่นอย่ามองๆผู้พูดพูดอย่างนี้คิดว่าคงจะรู้เรื่องดีปฏิบัติอะไรดีเปลา ฉันพูดตามพระไม่ใช่พราว่าฉันปฏิบัติได้แนะนําตามที่พระท่านลจิตลงใจให้พูดเท่านั้นนะใครจะดีใครจะเลวก็ตัวใครตัวมันอย่ามาคล้องเกี่ยวกันนะฉันจะลงนรกอีกสักกี่เที่ยวก็แรื่องขฉันนะก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงกันดีนะเดี๋ยวนะยจะไปไหนก็ไปตะวันไปพิทภูมิไปนิพพานก็ไปเจะา ก็ได้จมโธธนาจะไปนรถก็ก็เฉยๆไม่ตสงสารหรอกเพราไปมาบ่อยแล้วสงสารทำไมนะจะไปจะร่าจะเป็นอะไรน ะ, ะไม่สงสารหรอกนะจะไปแล้วมีความสุขก็ดีขึ้นใจขึ้นใจวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือว่าแค่นี้พอไหมพ อ, อนนะก็ได้เสียงพระพุทธเจ้าและขอบพระคุณพระองค์นะ